ส่วนกองปัญญาอธิบายถึงวิชาแปดมีวิปาาัสนาญาณคือญาณเห็นแจ้งสภาวะธรรมตามเป็นจริงเป็นต้นจนถึงอาสวะขยญาณหมายถึงญาณอันธ ร, รมอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานให้สิ้นไปเช่นเดียวกับที่ปรากฏในสามัญญพลลสูตรเมื่อแสดงธรรมจบสุภามานพโตเถรยบุตรสันเสริญธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต